ขอความจเจริญในธรรมเพื่อมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแตุ่ลโพธปิยานกำลังนำเสนอเรื่องอริมักโยงแปดมาถึงข้อที่ข้อที่หนึ่งคือสมาธิิแต่เนื่องจากสมาธิินั้นเป็นหลักธรรมใหญ่ที่สุดเพราะว่าเป็นปัญญาสิกขาจะมีนัยยะที่กระจายออกไปโดย นิตต่างๆแล้วในข้อที่สองที่จริงคือสมาสังกปะที่แปลวความรับิดชอบก็เป็นเรื่องของปัญญาสีขาเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าไปอยู่ระดับของความคิดหมายความว่าจิตใจเขาเหนียวนึกตึกนึกไปในทางที่จะบรรเทากิเลส ประเภทต่างๆเ่อกราวโดยสุปแล้วก็คือโลภัตโศสะโมหะนั่นเองถึงแต่ว่าเรียกแตกต่างกันอยู่หน่อยหนึ่งในข้อแรกเรียกว่าเนคขามาสังกปะคือการดำริที่จะออกจากกิเลสกรรมและอออกจากวัตถุกรรมโดยเจอว่าตัววัตถุกรรมนั้นเป็นทุกขษัตริย์ ตัวพิเลสกรรมนั่นเป็นสมุทัยสัต์แสดงว่าพวกนี้ก็ก็อยู่ด้วยกันแต่การที่จิตใจของบุคคลมัวมองหมุนกำหนัดเพลิดเพลินยึดติดอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นก็เพราะว่าภายในใจเขามีโมหะอุ้มห่ออยู่หรือครอบนำอยู่ ไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาพิจารณาสดสองมองถึงโทษของสิ่งเหล่านั้นได้เพราในด้านนี้ก็คือมองในด้านตรงนั้นครับอย่างที่ชาวโลกเ้ามองกันตามปกติแล้วการที่จะเกิดกิเลสกามขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการกำหนดคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นว่ารูปสวยเสียงไพรเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนะ่าจะต้องเป็นต้น จิต ใ, ใจก็กำ น, นัดเพลิดเพลินเช่นชมยินดีปรารถนาไฝาค ว, าวา้าที่จะได้ที่จะมีที่จะเป็นแต่ใ น, ในใจุดตรงนั้นเองถ้าหากว่าบุคคลได้ใช้เหตุผลใช้สติปัญญาแล้วมองเข้าถึงความจริงบ่อยๆเข้าจิต ใ, ใจก็จะจางคลายลงไปจากความกำ น, นัดเพลิดเพลินชช่นชมยินดีในสิ่งเหล่านั้น ตรองการที่บุคคลจะคิดในการออกจากวัตถุกรรมออกจากกิเลสการได้เนี่ยมอ ง, ต, องต้องมองเห็นโทษของการมมาคุณก็คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิน่นเป็นรสเป็นเย็นร้อน น, อนแข็งที่เราสัมผัสในแต่ละวันเอ่ถามว่ามองในแนวไหนคืออย่างน้อยที่สุดก็มองในแนวไม่สวยงาม การไม่สวยไม่งามที่จริงคือสวาวะที่แท้จริงของสัตว์ของสังขารทั้งหลายตามปกติแล้วบุคคลจะกําหนดคุณค่าในด้านประชาสัมพันพูดง่ายว่ากําหนดที่รูปอาจจะแยกส่วนหรือจะรวบถือไปเลยเช่นบุคคลนี้สวยบ้านหลังนี้สวยรถคันนี้สวยเรือนหลังนี้สวยอะไรต่างๆเยมือนมันรวบไปเลย อีน่หนึ่งก็จะแยกส่วนออกไปที่หนอกผมสวยตาสวยคิ้วสวยฟันสวยและอะไรก็ว่ากันไปแล้วในที่สุดมันมองไปในแนวสวยตอนการมองในแนวที่เป็นความจริงก็คือมองจากจุดเหรานั่นเองแต่มองในแง่ของความไม่สวยไม่งามคือเป็นสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหรานั่น ร่างกายของคนเราที่จริงก็ออกมาจะ ก, กุอาญานะฮะแปลว่าแหล่งที่ไปชุมหรือที่รวมของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายแล้วก็สามารถจะมองแยกย่อยออกไปเป็นอาการทั้งสามสิบสองประการอาการทั้งสามสิบสองแต่ละอย่างแต่ละอย่างล้วนแล้วแต่ว่าเป็นของปฏิกูลด้วยกันทั้งนั้นโดตามปกติแล้วเวลาสอนตอนต้นๆ จะสอได้มองที่ผมขนเล็บฟันก็นเรียกว่าตาจากปัญจกะกรรมฐานคือมองที่ผมมองที่ขนมองที่เล็บป่องที่ฟันมองที่หนังก็สิ่งที่เราสัมผัสจริงๆมันก็มีอยู่ห้าอย่างน้นนำก็อยู่ข้างในแล้วทํายังไงจะมองเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นบางทีมันก็มองยากนะ แล้นแนวในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยพุทธเจ้าสมหวางไว้มันเหมือนกับบันไดมองอย่างนี้เข้าใจไหมถ้ายัางไม่เข้าใจก็เปรียนไปเรื่อยๆเลยคือคนเราถ้ามีสติปัญญามากพอเยแม้จะดูลมหายใจเข้าออกที่ปลนปลื้อหล่อเลี้ยงร่างกายอยููก็จะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันมีกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกปลุกปลื้มจู๋หายใจเข้าไปออกหายใจออกไม่เข้าร่างกายก็ตายแล้ว มันเป็นเรื่องขณะที่มาต่อกันเข้าแต่นั้นเองชีวิตจึงดำรงอยู่ได้เพราะงั้นคนผู้หนึ่งเนี่ยกขาสามารถจะเห็นได้โดยการมองระดับนี้ี๋ย่ผู้หนึ่งอาจจะมองลึกซึ้งลงไปคือมองที่รียบทยี่ืนเดินตั้งนอนเคลียบตี่ใหญ่เห็นว่าชีวิตเรามันก็เลื่อนไหลไปตามเรียบท เช่นสมมติเรายืนอยู่แล้วเราเก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเราก็ก้าวครั้งที่สองไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ขาขนาดมันเลยไปแล้วแต่ก้าวครั้งที่เท่าไรก็ตามถือว่าก้าวใหม่ทั้งหมดก็สแสดงไม่เห็นว่าชีวิตเนี่ยที่จริงมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับก็ทยอยกันไปเดแตวถึงจุดหนึ่งก็ดับไปเลยได้ปจัจจัยเกิดมาใหม่ก็เกิดขึ้นมาใหม่อีก บางคนบางพวกมันก็มองขนาดนี้เขาก็เห็นแต่บางพวกอาจจะไปมองอิยาบทย่อยทั้งหลายคือให้มีสติสัมปชัญญะความเพียรอยู่กับอิยาบทย่อยทั้งหลายมีสติระรุดรู้ทุกขณะของการเคลื่อนไหวและเมื่อจิตใจมีความสงบข้าวมันก็เห็นเป็นเรื่องของความเกิดดับที่มาการทยอยก็ต่อเนื่องกันไป บางทีท่านก็เห็นแล้วนะฮะมาความมาเริ่มจะกตรงนี้ท่านก็เห็นแล้วแต่บางทีมันก็ไม่เห็นไม่เห็นมันก็เอาร่างกายเราเนี่ยมาแยกย่อยส่วนออกไปเป็นอาการสามสิบสองหรือว่าเป็นธาตุสี่ธาตุสี่ก็ดินน้ําลงไฟเอาจร้ะ ด, ดินน้ําลงไฟนะคะ ้าดันใดที่แข็งแข็งซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี้เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเย่อะในกระดู ก, ก, ดก ม, ม้ามหัวใจตับผังตือไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองอะไรก็เนี่ยแต่ละอย่างนี่มันมีลักษณะแข็งแข็งมันก็คือส่วนประกอบใหญ่ก็คือดินก็เรียกปฐวีธาตุก็คือธาตุดิน แล้วก็ลักษณะใดที่ไหลเออบาบได้นะเช่นน้ําลายน้ําเหงื่อน้ํามูกน้าไขข้อน้ํานูดน้าตาเปลวมันเลือดเหงื่ออะไ ร, ะไรต่างๆมันก็กลายเป็นธาตุน้ําแล้วปรากฏว่าธาตุน้ำเนี่ยมีมากเป็นพิเศษในร่างกายเราแล้วก็ดูที่ธาตุลมลมหายใจลมในท้องลมในท่าลมตา ม, ต, มตัวลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องตา่า ดูก็เอ็ว่ามันก็ลมแล้วไฟที่ทำกายอุ่นไฟที่ทำกายให้สุดส่มไฟที่ทำกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยมันก็กลายเป็นธาตุไฟก็แสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยธาตุใดธาตุหนึ่งมันยิ่งมันดอดคือมันมากไปมันน้อยไปมันก็มีปัญหาต้องจัดความสมดุลของธาตุเหล่านั้น เพื่อร่างกายเราดำรงอยู่โดยปกติสุขได้ท่านได้มองอย่างนี้ก็อาจจะเห็นทีนี้ถ้าไม่เห็นมันก็เอาเป็นอาการหนังสามสิบสองเลยขนขนเล็บกันหนังเนื้อว่าไปเรื่อนเลือดน้องว่าไปตลอดเป็นอาการสามสิบสองโดตามปกติแล้วมันจะมองให้กายมันให้ให้จิต ม, สมัสงบอยู่ก่อนพอจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็เริ่มคิดโดยเหตุผลโดยสติปัญญา แต่ว่าจิตใจต้องเข้มแข็งนะะคือถ้าหากว่าไม่เข้มแข็งดึงคิดไม่ออกคิดไม่ออกแล้วก็ถ้าไม่ง้นก็เลยไปดูศพในป่าช้าเลยแต่ศพในป่าช้าเองก็เถือเอาก็จริงถ้าจิตใจเราไม่หนักแน่นมั่นคงมากพอเราก็ดูไม่ชัดเหมือนกันหมายความว่ามองทร้างศพตหล่า น, นั้นไม่ชัดเจนเหมือนกันนั้นท่ก็สอนให้มอง ให้มองซากศพประเภทต่างๆตั้งแต่แถวตายขนาดสามวันนะฮะไม่ไม่ไม่ชี้จ้า ก, กันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของซากศพเหล่านั้นและในสุดมันจะน้อมเข้ามาเราแต่ก็มีข้อแม้เหมือนกันนะฮะว่าการดูศพนี่เป็นเรื่องใหญ่โดยตามปกติแล้วเขาไม่ให้ไปเสี่ยง สิ่งหนึ่งเรื่องความกลัวสิ่งหนึ่งเรื่องคำความปรุงแต่งคือจิตใจของบุคคลนั้นโ อ, อนไหวได้ง่ายดังนั้นตามปกติแล้วท่านจะฝึกบลูไปเรื่อยเพื่อให้เราคิดไดจะได้ท่ง แ, แสด ง, ส, ดงสภาพจิตของคนเอาไว้ว่ามันขึ้นอยู่กับการมองว่าเธอมองยังไงเธอก็คิดอย่างนั้นแหละ โดยสแสดงออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็มองด้วยความกำหนัดเพลิดเพลินใจก็รู้วนเรนะฮะจึงเรียงไว้เป็นจังหวะกลุ่หนึ่ ง, งก็กําหนดว่าสวยงามอย่างที่บอกว่ารูปสวยเสียงไปรอ้องกรนหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องเนี่ยเพราะในสุดมก็อยากดูอยากฟังอยากดมอยากเลิมอยากจับต้องอ่าประสาทสัมผัสมก็สายไปใจมันก็บังคับประสาทสัมผัสให้สายไป ไปดูรูปสวยๆฟังเสียงไพเราะดมกลิ่นหอมหอมลิ้มรสที่น่าอร่อยจะต้องจิตสิ่งที่น่าจะต้องแล้วก็กํำลัดเพลิดเพลินจะชมยิะดีเยีดด่ยในสิ่งนั้นแต่ในที่สุดเนี่ยจะไม่รู้จักประมาณในพัฒนาหานคือจะกินอะไรอร่อยกินจุกินจีบกินไปเรื่อยๆแล้วมันก็กลายเป็นกระบว น, นการนะเราจะลืมาอาหารมันมากเนมันไปเพิ่ม พลังทางกายขึ้นเมื่อการมีพลังมากมันก็มีความต้องการทางเพศมากทีนี้ถ้าหากว่าบรรเทาไม่อยู่ควบคุบไม่อยู่ก็อาจจะแปรผันไปในลักษณะต่างๆปัญหาเวลาแก้จริงๆเนี่ยเหมือนกับบุตรเรือรั่วแหละไม่ใช่ทําได้ง่ายๆถ้าทําได้ง่ายๆมันก็บรรลุมอกผมได้ไปเยอะแล้วแล้วในสุดมันจะเฉื่อยมันจะขี้เกียจ มันก็อืด น, นะฮะเยแล้วก็ศรัทธาหรือความเชื่อมั่นเนี่ยจะไม่ไม่หนักแน่นไม่มั่นคงมันจะถูกโยกคลอนแน่อนไหวไปแล้วจิตใจก็จะอ่อนแอนะฮะกระทบกับอารมณ์อะไรบางเล็ก ๆ, ๆน้อยๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อย ๆ, ๆง่ายๆนะะโดยโดยไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงนะ ถรือบางเรื่องที่ท่านเล่าไว้ เ, ไวเนี่ยแตกระถาเนี่ยเราก็นึกไม่เคย อ, ออกมันทำไมมันมันไปกันขนาดนั้นฉันเล่าถึงสามเณรรูปหนึ่งไปได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงแต่ว่าเป็นสามเณรที่ไม่ได้บวชด้วยสัทธาอะไรนะเธอบวชด้วยต้องการหลีกหนีภัยอันตรายในเส้นทางที่จะเดินไปรับหลวงหลงเรนั้นเอง แล้วต่อมาในขณะที่เธอเดินมาเนี่ยประจูงพระเทระถึงตาบอดก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงก็เกิดพอใจในเสียก็ให้พระเทระนั่งรออยู่แล้วก็เธอก็ไปพบ ก, กับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ได้เสียกันมันรู้สึกมันง่ายนึกเกิด ค, คือแสดงว่าจิตของทั้งสองฝ่ายนั้นมันกำหนับด้วยกันคือมีความต้องการมีความกระสันอยากในทางเพศด้วยกัน แต่วฝ่ายหนึ่งก็ลืมความเป็นคุณในสตรีฝ่ายหนึ่งก็ลืมความเป็นสามัญชน น, นั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่อนึกตึกนึกเรืองหน้าของความใคราความปรารถนาความพอใจหรือต่้งมาสอนพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาว่ามันอยู่ที่ช้คำว่าอสุภานุปัสสิ่งเนี่ยรันแตงคือมีปกติมองให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งาม ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงเปลี่ยนรถกภุภพะหรือแม้แต่ธรอารมณ์ที่เรามันเดือดนึกก็ตามเดี๋ยว่าจริงแล้วมันก็เป็นที่ตั้งของความปฏิคูลสกปรกโดยประการต่างๆ่า่างกายเราก็ต้องปลนปหล่อเลี้ยงทนุบำรุงกันมากมายแกลกองกว่าจะสะอาดได้สักครั้งในใช้เวลานานนะฮะวันวันหนึ่งตื่นเช้ากนมาฉี่นึงกว่าจะชำระร่รางกายก็เรียกว่าสรีระกิจจัง คือทำงานที่เกี่ยวกับสรีระร่างกายเนี่ยมันเยอะอาจจะเกิดเป็นความสะอาดเรียบร้อยขึ้นมานั้นก็แสดงว่าเป็นที่รวมของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายมีทางเข้าทางออกอยู่ตั้งเก้าทางด้วยกันเดี๋วแต่ละทางก็ไเจอนิดหน่อยมันก็เป็นของปฏิกูลนะ่ะทีนี้ถ้ามองอย่า ง, งานั้นในที่สุดมันก็ไม่อยากดู ไม่อยากฟังไม่อยากดมไม่อยากลิ้มไม่อยากจับต้องคือไม่ใส่ใจที่จะดูจะฟังจะดมจะลิ้มจะจับต้องแต่แนวตัวเนี้ยที่จริงรู้จักวางมาตั้งแต่น้นเนี่ยตั้งแต่เรื่องศีล<ม>คือปรักสภาพความพร้อมที่จะคิดนะที่จะคิดเปนมันอยู่ในร่องในรอยในหลักเกณฑ์กดเกณฑ์ต่างๆแล้วควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจของตัวเองไว้ได้เนะี่ย ใช่วศีลจากข้อที่ที่หกไปนะหกเจ็ดแปดก็ที่จริงก็ข้อที่เจ็ดมันมันมีทั้งแปดข้อข้อที่เจ็ดกับข้อที่แปดไปอยู่ด้วยกันนะเราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นให้จิตไปกําหนดด้วยความำกำหนะดตรงนั้นก็ตัดกระแสอารมณ์คือให้ประสาทสัมผัสไม่ได้ไปสัมผัสอารมณ์ตรงนั้น มันจะเกิดการกำํำรวงระวังอินรีอย่างน้อยก็ให้ใส่ใจไม่มนัิการถึงอารมณ์เหล่านั้นมากเกินไปจนถึงคิดยังไงว่าไม่ดูไม่เห็นจะเลยก็ดีนะแต่ว่าอันนี้ทำยากหนะ่อยก็ดูก็เห็นนั่นแหละแต่ว่าไม่ไดเอามาปรุงคิดคิดปรุงด้วยความกาหนัดความเพลิดเพลิน มันอาจจะคิดลึกซึ้งไปจนถึงสักเตวารูปสักเตวเสียงสักเตวกลิน่นสักเตวรสสักเตวสัมผัสก็ได้หรือว่าคิดได้น้อยลงหน่อยคืออยไปปรุงในวิจิตพิสดารมากเกินไปแล้วก็ในที่สุดก็จะรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารเห็นไหมมันจะไปแก้ติดตรงนี้คืออาหารก็ถือว่ารับประทานซะเป็นประโยชน์ก็พอแล้ว ไม่เรื่องของอินมพี่มันอะไรแต่ว่าเราประทานเพื่อจจกระจัดความยุ่เก่าป้องกันความยุ่ใหม่ร่างกายมีเท่วแรงสามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้พอแล้วก็เป็นวิธีการในการบรรเทาไปเรื่อยๆแล้วถ้าอย่างนั้นความเพียรพยายามเนี่ยกายมันก็พร้อมในะใจมันก็พร้อมความเพียรพยายามก็จะเป็นไปอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ก้าวหน้ารุดหน้าไปเรื่อย ศรัทธาก็จะหนักแน่นมั่นคงขึ้นความเข้มแข็งภายในใจก็เกิดเพิ่มขึ้นและโอกาสที่จิตใจท่านจะเข้มแข็งคืออย่างน้อยก็ไม่อ่อนไหวง่ายเกินไปเียาวลองสังเกตข่าวคราวที่ปรากฏในบ้านในเมืองเราในปัจจุบันเป็นเรื่องที่น่ากลัวว่าอ่อนแอมากือถูกเยื่อโยนนิดแต่หน่อย เ, อเจอภาพอะไรตออะไระหนเข้ามาก็เกิดกำหนัดเพลิพนชื่นชมยินดีแล้ว ตอนการมองเห็นโทษที่จนถึงเพื่อดึงกายจิตออกไปเนี่ยบางครั้งบางคราบางอาจจะถึงจุดหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะก็ก็แล้วแต่คือคนบางคนอาจจะออกไปด้วยโทสะบางคนอาจจะออกไปด้วยความเบื่อหน่ายนะอย่างที่ท่านเล่าถึงพระเถรารูปหนึ่งชื่อประจิตตะหัดตะกะ ก็มีฐานะยากจนแต่ว่ามันติดที่พัญญาไปไหนไม่รอดบวดบวสึกๆๆกบว ด, ด, ด, ด, ด, ดบว ด, บวดตัวตั้งหกครั้ง6กคราเจ็ดครั้งเจ็ดครานะันทั้งหมดแั่เจ็ดคราวด้วยัปัญญามันไม่ปรากฏพอดูวันหนึ่งท่านก็สึกมาในครั้งที่หกแล้วนะฮะสึกมาครั้งที่เจ็ดสิ นทนีเจดแล้วก็ตอดีพัญญามีท้องท้องแก่แล้วท่านก็ไปทานากลับมาถึงก็เจอพัญญานอนหลับมับงกร้าพรก็หลุดลุย่ยมันนอนไม่รียบร้อยกันยืนมดูเลยทีเนี้ยอย่ดูก็มองเห็นนะฮะมองเห็นความปฏิกูลในต่างที่ท่านสะสมมาตลอดระยะเวลาเนี่ยมันมันมีกำลังไม่พอ คือมองยังไม่เห็นว่า น, นั้นท่านเห็นเลยเห็นความปฏิกูลน่าเกลียดของสังขารร่างกายที่ทรงตามที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้นในสุดก็พิจารณายืนพิจารณาอยู่ตรงตรงนั้นจะเลือนสายลักคือมองแบบใส่ลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมองแบบของไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นหน้าตาก็บรรลุมกผลเป็นประสบการณ์เลย ตอนนี้ก็ตัดสินใจเด็ดขาดออกบวชเด็ดขาดแล้วก็บวชไม่นานได้ก็บรรลุมรรคผลเป็นพระหรันเมืในการมองอย่างนี้พูดมันพูดง่ายแต่ว่าการทำใจเนี่ยมันต้องสะสมไว้เยอะสะสมความคิดไว้เรื่อยๆจนกว่าจะเห็นจริงคือมันเกิดปั๊บขึ้นมาแล้วก็เห็นชัดเจนได้อย่างนี้น อย่างน้อยก็บันเทาความกำหนัดไปเรื่อยๆ เ, เราลองสังเกตวิธีการของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นรูปการการขัดเกลาไปเรื่อยๆคือไม่ใช่ว่านิ่งนิ่งทำได้เราใกล้ๆกับเราเอาไม้ซุง ม, มาทําเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันก็ผ่านขั้นตอนเยอะก็ทําทไปเรื่อยๆประเดี๋ยวมันก็ได้เป็นเฟอร์นิเจอร์แต่ถ้าไม่ทํามันก็ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรก็พยายามทําไปเรื่อยๆ การดฏิบัติธรรมะในแนวนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นต้องคิดบ่อยๆสะสมความคิดไปไปบ่อยๆให้เราสังเกตว่าพุะเจ้าท่านวางไว้แม้แต่ว่าพระวยฉันเข้าเนี่ยนะฉันเข้าจะต้องตั้งแต่รับมาเลยประพิจารณาให้เห็นเป็นของปฏิกููน่าเกลียดไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะอะไรแต่ไรนิสัตวโตนิชีวะว่างเปล่า หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เพื่อเห็นว่าร่างกายของเราจริงๆมันก็เกิดขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารอะไรก็มาหล่อเลี้ยงบำรุงรักษาจุพยายามเก็บสะสมความคิดไปพอฉันก็นั่งดูอย่างนั้นอีกนั่งดูอาหารพิจารณาก็เรียกตังกันนี้ปะ่ะปจจเวกขณะก็ดูในขณนะ น, น, นั้นเพื่อจะดึงให้เห็นว่าในท้องก็รอนี่เหมือนกับป่าช้าขนาดมาหึมา เป็นที่อาศัยของรากสัตว์นานาชนิดประปนกันอยู่แล้วก็ท้องเราฉันใดท้องคนอื่นก็ฉันนั้นได้เลสุดมันก็มองทั้งสรรพสัตว์หรือแม้แต่มองจากอาหารโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นอาหารเลยก็กลายเป็นกรรมฐานอีกชุดหนึ่งก็เรียกอาหารเรยปฏิคุณสัญญาเพราะมันลงออกไปข้างนอกก็กลายเป็นพวกธาตุผสมกันในที่ต่างๆผสมื่อดินน้ำลมไฟอากาศ ก็สอนในแนวกรรมาฐานได้ทั้งหมดเพื่อจะให้มองเห็นโทษ เ, เรื่องกรรมอาทีนบคือเห็นโทษของกรรมเนี่ยแล้วก็มีวิธีที่จะสื่อสารสั่งสอนไปด้วยประการต่างๆก็สรุปว่าให้เรามองเห็นโทษได้ๆแล้วใจเนี่ยมันต้องคิดเองคือคนอื่นเขาก็ให้ข้อมูลเท่านั้นแหละเขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้แร้วพระเจ้าเองก็ไม่สามารถจะปลูกเสกเราให้เป็นพระยาบุคคลได้ เราต้องคิดเองเราต้องรู้เองเราต้องเห็นเองต้องเกิดเบิดนายเกิดคล้ายกับนัดใิดจิตภายในจิตของเราเองเพราะในการดกำลิออกจากกามคือต้องคิดบ่อยๆต้องมองในในในในแง่ที่มันเป็นทุกข์กษัตริย์แล้วมองในแง่ที่มันเป็นโทษในการไปเกีย่ยวเกาะไปยึดจิตไปผูกพันกับสัญญาตหมกมุ่นวุ่นวายจยูเรื่องเหล่านี้ย บางทีท่านใช้ก็มาเห็นโทษโดยความเป็นโทษคือมันเป็นโทษโดยสภาพอ่ะแต่ว่าเราไม่ยอมเห็นมันเองเพรา ะ, ะก็พยายามทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่ามันเป็นโทษโดยสภาวะมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ใจมันก็จะเริ่มเบื่อหน่ายถ่ายถอนความกำหนัดเพื่อเพืยินดีออกมาได้โดยลำดับต้งฟังทั้งหลายใต่รูปประวฏิยานในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาถึงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, ง้อ ง, งามไปบูรณาธรรม จะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดูยทั่วกันสวัสดี